กลลภรท่านผู้มีจิตสัตว์มีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านสมายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาเสริมความเป็นเสรีมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะจะทำให้เราได้มีความรู้ที่จะนำเอามาปกป้อง รักษาจิตใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆสาเหตุที่พวกเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจเขาเราไม่รู้ว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแต่เรามักอยากจะให้เขาเป็นไปตามความต้องการ ตามความอยากของเราพ อ, อเขาไม่ได้เป็นใจของเราก็ทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของเป็นเหตุการณ์ต่างๆเขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเป็นไปอย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะไปคว บ, บคุมบังคับ ไปจัดการให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเรามีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้น<ม>เป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะทุกป์ไปเปล่าๆเพราะจะไม่ปไปเปลี่ยนแปลงเขาได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราหมนพยายามศึกษาสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ ผ่านทานตาหูจมูกวิ้งกายว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีดีมีไม่ดีวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ดีมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับนะถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถ ที่จะไปสั่งได้ว่าให้ดีไปตลอดให้อยู่ไปตลอดเราก็จะได้ไม่มีความอยากความหวังให้เขาดีไปตลอดหรือให้เขาอยู่ไปตลอดเราก็จะยินดีตามมีตามเกิดถ้าเราทำใจของเราให้ยินดีตามมีตามเกิดได้ใจของเราจะไม่มีความทุกข์ ที่เราทุกข์เพราะเราไม่ยินดีตามมีตามเกิดเราอยากจะได้ตามใจของเราพอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียอกเสียใจทุกข์ทรมานใจพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามันเตือนใจสอนใจเรื่อยๆว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราอยู่ในโลกที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับ เหตุกา์ต fiz ่างๆบุคคลต่างๆและสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราเข้าใจเราไม่ลืมความจริงอันนี้เราก็จะสอนใจให้ยินดีตามมีตามเกิดพอเรายินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่เดือดร้อน บางอย่างเราก็ยินดีตามมีตามเกิดได้เช่นฝนฟ้าอากาศนี้เรารู้ว่าเขาไม่แน่นอนเขามีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเขามีเกิดมีดับเช่นฝนฟ้าอากาศเราก็รู้ว่าบางวันฝนก็ตกบางวันแดดก็ออกพอาทิตย์เราก็รู้ว่ามีขึ้นมีตกทําไมเราไม่ไปทุกข์กับ เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เราจึงทําใจยินดีตามมีตามเกิดพอเราทําใจยินดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์เวลาพระที่ขึ้นเราก็ไม่ทุกข์เวลาพระอาทิตย์ตกเราก็ไม่ทุกข์เราคือใจเราไม่ใช่เป็นร่างกาย ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนธรรมชาติอย่างอื่นเช่นเหมือนดวงอาทิตย์ร่างกายของเราก็มีเกิดมีดับเหมือนกันถ้าเรามองร่างกายของเราให้เห็นว่าเป็นเหมือนดวงอาทิตย์เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายของเราแต่เราไม่มองอย่างนั้นเพราะเราไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริง เป็นเธตัวเราของเราชั่วคราวชั่วขณะที่เราได้มาครอบครองเราได้รับร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่แล้วเราก็มาใช้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆแต่ไม่มีใครบอกเราตั้งแต่เริ่มต้นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่เราไปซื้อจากร้านมาเราเป็นคนขับเท่านั้นเอง เวลารถยนต์เป็นอะไรไม่ได้มาทำให้คนขับเป็นอะไรไปด้วยอันนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนทุกคนหลงไปคิดกันว่าร่างกายนี้เป็นใจใจเป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจก็เดือดร้อนไปด้วยทั้งทั้งที่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายชาตินี้เราโชคดีเรามาเจอคนที่รู้ความจริงอันนี้ คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ศึกษาความจริงด้วยการปฏิบัติด้วยการทำใจให้สงบ ถ, ถ้าใจไม่สงบนี้จะมองไม่เห็นความจริงใจนี้เป็นเหมือนแว่นตาแว่นตาถ้ามันมัวเราจะมองไม่เห็นความจริงเราอาจจะมองสุนัขว่าเป็นแมวก็ได้เห็นมาว่าเป็น โผก็ได้เห็นกับกับตาละปัดเห็นผิดไปจากความเป็นจริงเพราะแว่นตาของเรามวัวแต่ถ้าเราเช็ดแว่นตาให้ใสเราก็จะสามารถเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้พระพุทธเจ้าและพระอาลันตสาวกทั้งหลายท่านได้เช็ดแว่นตาของท่านแล้วคือได้ท่านได้ทำใจของท่าน ให้ใสสะอาดให้สงบ ป, ปราศ จ, จากกิเลสหรือเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตัณหานี้เป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้กระจกของเหล่ามัวแว่นตาของเหล่ามัวเราต้องใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแว่นตากันพอเช็ดแล้วแว่นตาก็จะใส ใจของเราตอนนี้ก็มืดมัวกันมืดมัวด้วยอิเลตันหาความโลภความโกรธความหลงความหลงคือมองไม่เห็นความจริงเห็นความจริงไปตามความอยากไม่ได้เห็นความจริงตามความเป็นจริงเช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเพราะใจเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยง เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะใจเราอยากจะให้มันเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเพราะใจของเราอยากจะให้เป็นของเรานั่นเองพอเราไปเห็นกับตาละปัดเข็นไม่ตรงกับความเป็นจริงพอเราคิดว่าสิ่งที่เที่ยงมันไม่เที่ยงขึ้นมาเราก็เสียใจเช่นคนที่เราลากตายจากเราไป เราก็ร้องห่บร้องห้าิกันเพราะเราคิดว่าเขาเที่ยงเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดแต่พอเขาไม่เที่ยงขึ้นมาเราก็เลยร้องห่บร้องห้าิกันเราไปคิดว่าเขาเป็นสุขแต่พอเขาตายจากเราไปเขาก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเราไปคิดว่าเป็นของเราตอนนี้เวลาเขาตายเขาไปเป็นัเป็นของสับปเปล่าไปแล้ว เป็นของวัดไปแล้วนี่คือความจริงที่เรามองไม่เห็นกันเพราะใจของเราถูกโมหะอาวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงนี้ครอบงาจิตใจเหมือนกับความมัวของแว่นตาเราจรึงต้องตอนนี้เราต้องเชื่อคนที่ได้เช็ดแว่นตาของเขาใสสะอาดแล้ว เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วตอนนี้เรายังมองไม่เห็นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราอยู่อย่างมีความสุขเราก็ต้องเชื่อคนที่ตาใสาแล้วว่านตาใสาสะอาดแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนและพระอาหารหันตสาวกท่านสอนว่า ความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่าลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหลงไหลข้างงครกันนี้มันไม่เที่ยงนั่นเองมันมีเกิดและ ม, มันมีดับได้มีเจริญมีเสื่อมได้มีได้หมดได้มีซับมันนี้ พรุ่งนี้อาจจะหมดทรัพย์ไปก็ได้มียศวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดยศไปก็ได้มีสรรเสริญในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะมีนินทามาแทนที่ก็ได้มีสุขจากการได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์ไปได้เวลาที่ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่มไม่รับประทานเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอน มันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเวลาบางเวลามันก็อยู่บางเวลามันก็ไม่อยู่เวลามันไม่อยู่ความทุกข์ก็กลับมาความพุกกระเปรากฏขึ้นมาความสุขก็หายไปท่านจึงสอนว่าอย่าไปหาสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกขนะ์อย่าไปหาคนนั่นคนนี้มาเป็นแฟน มาเป็นคู่ครองอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เคยมีคู่ครองมีภรรยามีลูกแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเวลาอยู่ด้วยกันก็ดีแต่เวลาจากกันก็จะไม่ดีหรือเวลาอยู่ด้วยกันก็อาจจะทะเลาะกันก็ได้โกรธกันก็ได้เกลียดกันก็ได้ คนเรานี่ส่วนใหญ่ตายตายเพราะคนใกล้ตัวมากกว่าตายเพราะคนที่เราไม่รู้จักเพราะว่าเวลารักกันก็หลงก็ลักกันอย่างสุดๆพอเวลาโกรธกันขึ้นมาก็โกรธกันอย่างสุดๆแล้วก็ถึงกับฆ่ากันได้เพราะว่าเขาเปลี่ยนไปเช่นเขาแอบไปมีอหนูที่บ้านอื่นเข้าพอรู้เข้าที่นี้ความรักสุดๆก็ขาย กลายเป็นความเกลียดสุดๆขึ้นมาทันทีเพราะเขาได้เปลี่ยนไปพอเกิดความเกลียดขึ้นมาก็เกิดความอาฆาตพยาบาทถ้าหักห้ามจิตใจไม่ได้ก็ต้องถึงกับฆ่ากันตายไปเลยนี่คือความทุกข์ที่พวกเราเดินเข้าหากันสแสวงหากันเพราะตาของเรามืบบอดหรือแว่นตาของเรามันมัว มองเห็นทุกว่าเป็นสุขมองเห็นว่าลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นสุขกันแล้วเราร้องไห้กับอะไรเราร้องไห้กับลาบยศสารเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่เือเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาดีแล้วเปลี่ยนไปเป็นไม่ดีเวลาของที่เราซื้อมาแล้วมันเสียเวลาซื้อลถมาใหม่ๆ ไม่กี่วันก็ไปชนกันอย่างนี้มันดีไหมหรือว่ารถที่เ้าเราซื้อมาคันนี้มันชำรุดเอาก็ไปซ่อมเขาก็เาก็หาเหตุไม่เจอซ่อมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาก็ให้เราขับไปอย่างนี้ซ่อมได้สองสามวันก็ต้องซ่อมใหม่ไอ้รถที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันก็เลยกลายเป็นรถที่ให้ความทุกข์กับเรา เพราะเราต้องคอยซ่องมันอยู่เรื่อยๆพามันเข้าไปอู่อยู่เรื่อยๆแทนที่จะขับพาเราไปไหนมาไหนตามความต้องการของเรามันกลับไม่ทาให้เรานี่แหละคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เป็นตลอดเวลาหรือไม่เป็นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปอยู่บางอย่างก็ใช้ได้ดี แต่ต่อให้มันดีขนาดไหนถ้าใช้ไปนานๆเข้าต่อไปมันก็เก่ามันก็ต้องเสือ่อมแล้วมันก็ต้องเสียอยู่ดีรถนี่วิ่งไปไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องกลับแล้วก็ต้องเสียก็ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรต่างๆเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนน้ํามันอะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆมันจึงสามารถที่จะใช้ได้ดี แต่ในที่สุดมันก็ต้องพังไปนี่คือสภาพของความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่เราสแสวงหากันที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยตาที่ใสสะอาดด้วยแว่นตาที่ใสสะอาดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในในโลกนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันเป็นสุขต้นแต่มันจะทุกข์ตอนปลาย พรามันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องเสื่อมไปมันจะต้องหมดไปและเราก็ไปห้ามมันไม่ได้เราจะไปสั่งให้มันไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนไม่ได้มันจะเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วเสื่อมช้าเสื่อมเร็วเท่านั้นเอง น, นี้คือสิ่งที่คนตาดีอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาโมกทั้งหลายท่านเห็นกันท่านจึงสละทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักเรา หวเราอยากได้กันเพราะเรายังไปคิดว่าเป็นความสุขกันอยู่ยังรักยังรักสามียังรักภรรยายังรักแฟน ย, ยังรักลูกรักหลานรักทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาร้องห่มน้องไห้เวลาที่เขาเสียไปจากเราไปหรือเวลาเขากายไปจากดีกลายเป็น คนไม่ดีไปเราก็ต้องมาทุกกับเขาแต่ถ้าเราปล่อยวางเขาไม่ไปหลงคิดว่าเขาเป็นสุขคิดว่าเขาเป็นทุกข์ไม่ยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปตามเรื่องเขาจะสุขเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะอยู่เขาจะตายก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปนาน เราก็จะไม่ทุกขกับเขานี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติถ้าเรายังอยากจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ายังอยากมีราบยศสรรเสริญยังอยากมีความสุขทางตาหูจมูกรินกายอยู่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ต้องฝึกทาใจว่าไม่ช้าก็เลยวสักวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเหล่านี้ จะไม่ให้ความสุขกับเราอีกต่อไปวิธีที่จะทำใจให้เราอยู่กับสิ่งต่างๆได้ก็คือต้องไปอยู่วัดบ้างไปอยู่แบบไม่มีอะไรบ้างอยู่คนเดียวอยู่แบบไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนอกจากค่าใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงดูปากท้องเท่านั้น อยู่แบบไม่มีอะไรให้ได้ถ้าเราฝึกทำใจให้อยู่แบบไม่มีอะไรได้แล้วเวลาที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปคนนั้นคนนี้ไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราเคยอยู่แบบไม่มีอะไรมาแล้วแฟนจะอยู่แฟนจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนลูกจะอยู่ลูกจะตายเราก็ไม่เดือดร้อน พ่อแม่จะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะของพวกนี้คนเหล่านี้จะต้องตายไม่ช้าก็เร็วพวกเราทุกคนเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้เตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ป่วยไปไม่ได้ ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาร่วมพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาร่วมพ้นจากการพัดพลาจากกันไปไม่ได้แต่เราจะสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไม่มีความทุกข์ใจถ้าเราเตรียมตัวเจียมใจหัดฝึกสอนใจไว้ตั้งแต่บัดนี้ เหมือนกับนักมวยเวลาเขาจะขึ้นไปโชคนี้เขาต้องซ้อมไว้ก่อนถ้าเท้าซ้อมไว้ดีแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจสอนใจไว้อยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ที่งแท้แน่นอนไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดจะต้องมีวันจากเราไปสักวันหนึ่ง ถ้าเราเตือนใจอยู่บ่อยๆเตือนใจไปเรื่อยๆใจของเราจะเริ่มเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ด้วยการไปฝึกอยู่คนเดียวและการจะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องอาศัยวิธีทำใจให้สงบถ้าอยู่โดยที่ไม่ได้ทำใจให้สงบนี้อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเพราะอดคิดถึงสิ่งต่างๆไม่ได้ พอคิดถึงสิ่งต่างๆก็อยากจะกลับไปหาสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราหยุดความคิดได้ทำใจให้สงบได้เราก็จะลืมเรื่องราวต่างๆไปหมเราก็จะอยู่คนเดียวได้อยู่กับความว่างเปล่าได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้เราต้องหัดฝึกไปอยู่วัดกันบ้างไปฝึกทำใจให้สงบวิธีทำใจให้สงบก็คือให้มีสติ ฝึกสร้างสติขึ้นมาสตินี่แหละที่จะหยุดความคิดต่างๆที่จะทำใจของเราให้สงบนะวิธีสร้างสติก็คือเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถไปคิดอะไรได้เหมือนกับเวลาเราทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้ เช่นเรากําลังทํางานเราจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ทํางานเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวได้ถ้าเราไม่อยากไปเที่ยวเราก็ต้องพยายามหางานทําอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีงานทําอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวฉันใดถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่มีเวลาไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือวิธี ทำใจของเราให้หยุดคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการให้คิดอยู่กับคำบริกรมพุทธโธพุทธโธไปอย่างเดียวแล้วใจของเราก็จะว่างจะเย็นจะสงบจะสบายจะมีความสุขจะรู้ว่าอ๋อความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองอยู่กับความว่างนี่เองอยู่กับการไม่มีอะไรนี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ค้นพบและได้มาได้เอามาเป็นสมบัติครอบครองจนถึงปัจจุบันนี้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์นี้ท่านอยู่กับความว่าที่เป็นความสุขเพราะท่านเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นท่านจึงไม่เอามัน อยู่แบบไม่มีอะไรอยู่แบบอ่างว่างเปล่าเปลี่ยวแต่ไม่เดียวดายอยู่อย่างมีความสุขเพราะความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงความว่างก็เกิดจากความสงบของใจใจปราศจากความอยากได้สิ่งต่างๆพอไม่มีความอยากใจก็จะอิ่มจะพอขึ้นมาจะมีความสุขขึ้นมา ใจของพวกเราทุกวันนี้ที่ไม่มีความอิ่มกันก็เพราะมีความอยากและความอยากนี้ก็ไม่มีวันหมดถ้าเราทาตามความอยากยิ่งทาตามความอยากยิ่งอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งหิวขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าหยุดความอยากได้ไม่ทาตามความอยากได้ความอยากหายไปความอิ่มจะก็จะปรากฏขึ้นมา นี่แหละคือเรื่องของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายท่านได้ค้นพบความจริงที่พวกเรายังมองไม่เห็นกันท่านได้พบความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การไม่มีอะไรนี่นิบานังปรมังศูนยอย่างเนี่ยพระนิพพานคือความศูนย์ความศูนย์ก็คือความว่างความไม่มีอะไร ไม่มีลาบยดสดละเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพมาสัมผัสเพราะสิ่เหล่านี้เป็นเหมือนยาพิษเวลาเสพแล้วทําให้เราต้องทุกข์ใจทรมานใจกันเวลาเห็นรูปที่เราไม่ชอบรู้สึกอย่างไรสุขหรือทุกข์กันเวลาได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบกันรู้สึกอย่างไรเวลาได้ยินเสียงดินทาเวลาได้เจอคนที่เขาเกลียดขี้หน้าเรา รู้สึกอย่างไรนี่แหละคือความทุกข์ที่พวกเราเดินเข้าหากันเพราะหลงไปคิดว่าเป็นความสุขนั่นเองเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคาสอนเชื่อพระอาลาันตสาวกที่มาสอนให้พวกเราหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายหยุดหาลาบยศสรรเสริญกันแล้วให้ไปหาความสงบกัน ไปหาความว่างกันไปอยู่วัดกันไปฝึกเจริญสติกันไปทำใจให้สงบแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงพอเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆจะไม่ทำให้ใจเราทุกข์เลยเจอความแก่ก็ไม่ทุกข์เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์เจอความตายก็ไม่ทุกข์ เจอการพากพากจากคนที่เรารักก็ไม่ทุกข์เจอคนที่เราไม่รักก็ไม่ทุกข์เพราะใจของเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆปล่อยวางหมดสับแต่ว่ารู้เพราะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้เขาต้องเป็นของเขาอย่างนั้นแหละนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราเข้ามาหากันมาศึกษากัน เพื่อให้เราได้นำเอาไปสอนใจของเราให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ฝึกหัดอยู่กับความว่างให้อยู่กับความสงบเพราะนี่คือความสุขที่แท้จริงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล